ร่างหน้าตาภายนอกพัญญาของนายวิกโก้ก็เหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนต่อเมื่อพูดด้วยนั่นแหละจึงจะรู้ว่าไม่ใช่ทั้งนี้เพราะหล่อนพูดไทยไม่เป็นท่านพระครูย้ําลูกศิษย์ว่าอ้าวนี่วิกโก้มีแฟนเป็นคนไทยหรอกหรือหน้าตาเหมือนสาวในตลาดสิงบุรีเลยหนุ่มต่างแดนหัวเราะเบาๆ ขณะที evet. ่พัญญาทำหน้าเหรอด้วยไม่เข้าใจครั้นสามีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังจึงยิ้มออกและเต่าเป็นภาษาจีนกลางโดยคิดว่าท่านพระครูคงเข้าใจหากก็ผิดพลาดเพราะนอกจากท่านจะไม่เข้าใจแล้วสามีของหล่อนก็ไม่เข้าใจเช่นกันเขาพูดว่าอย่างไงนะวิกโก้อาจารย์ถามลูกศิษย์ ผมก็ไม่ทราบครับเพราะไม่เคยเรียนภาษาจีนนุ่มใหญ่ตอบแล้วจึงถามพัญยาด้วยภาษาอังกฤษหญิงสาวตอบด้วยภาษาเดียวกันเพื่อให้สามีแปลให้ท่านพระครูฟังเธอบอกว่าหลวงพ่อจะคิดว่าเธอเป็นคนสิงบุรีก็ได้ครับจะได้ฝากตัวเป็นลูกหลานเธออยากมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อครับท่านพระครูรู้สึกพอใจ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 เข้าไปสอนภาษาไทยแล้วหนูเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะมาพบเนื้อคู่ในต่างแดนท่านถามยิ้มยิ้มไม่เคยคิดค่ะหนูเป็นลูกกาพร้าแล้วก็พิการมาแต่กาเนิดหนูเป็นโรคโปลิโอที่ขาค่ะไม่คิดว่าจะมีใครมารักคนพิการแถมยังเป็นกาพร้าตอบเสียงเศร้าแต่วิกโก้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 คิมมีคนช่วยเลี้ยงแล้วเด็กฝาแฝดก็ช่วยค่ะหลอนหมายถึงบุตรชายวัยสองเดือนเจ้าแดงกับเจ้าขาวนะหรือคงชอบใจละสิมีตุ๊กตาฝรั่งมาให้เล่นถึงที่วัดค่ะเล่นกันเพลินเลยหนูจะได้มีเวลาปฏิบัติส่วนคุณวิกโก้เขาจะมาหาข้อมูลทำวิจัยเรื่องการระลึกชาติ โชคดีที่มาพบด็อกเตอร์กริดรู้สึกว่าเราสองคนโชคดีเหลือเกินค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของแม่สะอิงอีกคนหนึ่งหลวงพ่อให้ชื่อว่าหญิงสองร่างนางสองชาติแล้วจะพาไปหาข้อมูลที่อำเภอทา่าตะโกหลวงพ่อเคยไปมาแล้วเดินตัดทุ่งไปเป็นวันเลยหนูคงไม่ต้องไป อยู่กับลูกที่นี่แหละให้วิกโก้ไปกับหลวงพ่อสองคนค่ะหนูจะปฏิบัติอยู่ทางนี้มีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามแม่ชีโดยให้ด็อกเตอร์กริดช่วยเป็นล่ามให้ดีแล้วล่ะหนูประเดียวขึ้นกรรมฐานเสร็จก็ไปปฏิบัติรวมกับคนอื่นๆบนศาลานะให้แม่ชีสอนเดินจงกรม ตอนนี้ด็อเตอร์กริตก็ปฏิบัติอยู่ที่ศาลาโน่นหลวงพ่อกำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันแล้ววิกโก้ล่ะจะไปปฏิบัติที่ศาลาไหมประโยคสุดท้ายท่านถามคนทำหน้าที่เป็นล่ามผมจะเข้าไปปฏิบัติในโบสถ์ครับสมัยโบวถอยู่ที่นี่ผมปฏิบัติในโบสถ์ทุกวันแต่ตอนนี้โบสถ์หลังเก่าไม่มีแล้วนะครับเป็นหลังใหม่แล้ว ทำไมหลวงพ่อรื้อเสรล้ครับไม่รื้อได้ยังไงละ่ะก็เขาพังลงมาหลวงพ่อก็เลยต้องสร้างใหม่ดีนะที่ไม่พังตอนที่วิกโกเข้าไปปฏิบัติในนั้นนึกแล้วยังเสียวแทนเป็นโบสถ์เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายหรือครับผมไม่ทราบเป็นยังไง รู้สึกใจผูกพันกับบทหลังเก่ามากราวกับว่าเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกันมาคำพูดของหนุ่มต่างแดนทำให้ท่านพระครูนึกเอะใจจึงต้องหน้าเขาพร้อมกำหนดเห็นหนอในใจพรานก็รู้ว่าฝรั่งชาติฮอรันดาที่ทูลขอพระราชทานพระพุทธรูปนาคปรกจากสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในบทนั้น บัตรนี้ก็คือในวิกโกบลาวที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี่เองเรื่องของกรรมช่าง น, น่าอัศจรรย์นักบุรุษนี้เคยสร้างกรรมดีไว้กับพระพุทธศาสนาเขาจึงได้มาพบของดีณที่แห่งนี้ตอนหรือโบท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 เมื่อเขาสร้างโบสถ์เสร็จก็อยากได้พระพุทธรูปนาคปลกมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์จึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานมาสององค์ขณะที่ท่านพระครูเล่านายวิโก้นั่งฟังด้วยอาการสงบเขาเคยเห็นพระพุทธรูปสององค์นั้น และเกิดอาการปิติอย่างประหลาดทุกครั้งที่กราบวันนี้เขาจะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่ า, ย า, ยาด้วยเหตุผลกลใดจึงเป็นเช่นนั้นให้กรรมฐานพัญญายวิโก้แล้วท่านพระครูจึงเดินนำสองสามีพัญญาไปยังศาลานายวิโก้ส่งพัญญา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 และอุทิศส่วนกุศลตามลำดับชายหนุ่มเริ่มต้นเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมทำให้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วเพียง15นาทีให้หลังจิตของบูรุษต่างแดนก็ตั้งมั่นเป็นเอกัคคตารมสงบซึ้งเป็นชาณจิต หอนจิตออกจากองค์าญแล้วอาศัยภาวะแห่งความสงบนั้นพิจารณาหาเหตุผลที่ตนสงสัยพลันภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติก็มาปรากฏในมโนทวารเขานั่งดูภาพยนต์แห่งพบชาติที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบความรู้สึกหลายๆอย่างประดังเข้ามาทั้งปิติ ในบุญกุศลที่ตนสร้างทั้งสังเวทใจในการที่ต้องมาเวียน่หยอยู่ในสงสารสาครอยู่นานแสนนานกว่าจะได้มาพบของดีในเมืองไทยเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วและภาพยนต์แห่งภพชาติก็จบลงโดยที่ผู้แสดงล่วงรู้ว่าเขาจะต้องแสดงต่ออีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วมันก็จบลง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 ด้วยกุศลที่เคยสร้างโบสถ์ไว้ให้กับพระาศาสนาท่านพระครูเดินกลับมาที่กุติด้วยรู้ว่านายวิโก้ต้องมารายงานในสิ่งที่เขารู้หนุ่มต่างแดนเดินจากโบสถ์ไปยงังศาลาครั้นไม่พบผู้เป็นอาจารย์จึงเดินไปที่กุติ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 ถูกแล้วบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างทองแท้ก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทรงจัดกรรมเข้าไว้ในอจินไตหมายถึงเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดครับเพราะถ้าบุคคลคิดจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อน ชายหนุ่มกล่าวอ้างข้อความในคำพีที่ได้ศึกษามาก่อนบวชทีนี้วิกโก้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องมาแต่งงานกับพัญญาคนนี้ทำไมถึงไม่ได้แต่งงานกับนางสาวราตรีเข้าใจแล้วครับเพราะลิ ล, ลี่กับผมเคยเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาพบกันอีก และจะเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้พบกันชาติต่อๆไปผมไม่ขอมีครอบครัวจะขอประพฤติพรหมจรรย์ทุกพบชาติจนกว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้นซึ่งผมมั่นใจว่าจะไม่เกินเจ็ดชาติชายหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแน่ดีแล้วที่คิดอย่างนี้และหลวงพ่อก็มั่นใจว่าวิกโก สามารถทำได้อย่างที่คิดเพราะวิกโกได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วครับเพราะผมได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นหลวงพ่อหากหลวงพ่อไม่เมตตาไหนเลยผมจะได้เป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ชายหนุ่มพูดอย่างสำนึกในพระคุณของผู้เป็นอุปชายาจารย์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 แล้วลิลลี่พัญญาผมเขาจะได้ของดีอย่างที่ผมได้หรือเปล่าครับชายหนุ่มยังห่วงพัญญาตอนนี้เขาก็ได้มาพบของดีแล้วส่วนจะได้อย่างที่วิโก้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเขาในชาตินี้และบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนเรื่องอย่างนี้ หลวงพ่อตอบไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้เพราะทรงบรรลุจุตูปปตาตญาณทรงเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมาแล้วในอดีตและที่จะเป็นต่อไปในอนาคตดังที่ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยํกำไรแสนกับจึงมีพระญาณอย่างรู้กรรมของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วการสนทนาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเด็กหนุ่มรูปร่างผอมเกรง็งเนื้อตัวสกปรกผมเข้ายารุงรังเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวินดูจากสารรูปภายนอก ทำให้คิดว่าเขาคือขอทานเขานั่งลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเอ่ยวาจาท่านคือพระเจริญบุตรชายของทิศพองใช่ไหมครับท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขาเรียกโยมพ่อของท่านว่าทิศหนูมีธุระอะไรกับอาตมาหรือมาจากไหนล่ะผมมาจากอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมาครับ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 และได้ตายไปเมื่อส5ปีก่อนเศษฐีบุญช่วยที่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมท่านพระครูจำเรื่องราวของนายบุญช่วยได้ที่นางจำแรงพี่สาวของเขาแอบตั้งฉายาให้ว่าเศษฐีขี้เหนียวถูกแล้วครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับท่านที่เศษฐีจะไปเกิดเป็นยาจกทั้งนี้เพราะผมไม่เชื่อเรื่องบุญทานตอนมีชีวิตอยู่ ผมไม่เคยทําบุญทําทานเลยนอกจากนี้ผมยังสอนลูกๆไว้ว่าถ้าขอทานเข้ามาในบ้านให้ไล่ออกไปถ้าไม่ยอมออกก็ให้ใช้ไม้ตีท่านพระครูเชื่อว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คือนายบุญช่วยกลับชาติมาเกิดจริ ง, จ, รงจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าวิกโกได้ข้อมูลเพิ่มอีกแล้ว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 ท่านพระครูบอกเพื่อนในอดีตชาติของบิดาครับผมสอนลูกไว้อย่างนั้นและลูกก็เชื่อฟังผมทุกคนพอขอทานเข้ามาในบ้านก็กรูกันเข้าไปไล่ใครไม่ยอมไปก็ใช้ไม้ตีจนพวกเข้าทนไม่ไหวต้องพากันออกไปผมไม่นึกไม่ฝันว่ากรรมนั้นจะกลับมาสนองผมในชาตินี้ไม่นึกเลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรือ แล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหนตอนผมเข้าไปในบ้านแล้วถูกพวกลูกๆไล่ตีคือหลังจากผมตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นลูกขอทานที่อําเภอห้วยถแถลงตอนนั้นผมก็ยังระลึกชาติไม่ได้พ่อแม่ผมก็หอบพีวผมไปขอทานตามที่ต่างๆผมก็เลยกลายเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิดพออายุได้เจ็ดปดขวบพ่อแม่ ก็ให้แยกไปขอทานเลี้ยงตัวเองแล้วผมก็ไม่ได้เจอกับพ่อแม่อีกผมก็เที่ยวขอทานเข้าเร่ยมากระทั่งอายุ14วันหนึ่งก็มาถึงจังหวัดอ่างทองครั้นเห็นบ้านตัวเองก็จำได้จึงเข้าไปแต่ก็ถูกลูกๆไล่ออกมาแม้พวกเขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ยังทำตามที่ผมสอนไว้เมื่อ15ห้าปีก่อนผมก็พยายามจะบอกเขาว่า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 และผมก็ขอถวายทองหนักหนึ่งบาทแก่ท่านเอาเก็บไว้เถอะจะมาถวายอาตมาทำไมละ่ะผมอยากได้บุญครับชาติหน้าผมจะได้ไม่ต้องเกิดมาเป็นขอทานอีกขอให้ผมได้ทำบุญสักครั้งในชีวิตเธอครับแล้วหนูจะไปไหนละ่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ดีหรือ จะเป็นลูกศิษย์ให้อาตมาได้ใช้สอยหรือจะบวชเนนก็ได้จะเอาอย่างไหนไม่เอาทั้งสองอย่างครับขอพระคุณผมขอใช้กรรมให้หมดผมรู้ว่าชีวิตของผมเหลือน้อยเต็มทีออกจากนี่ผมก็จะไปหาขอทานที่พระพุทธบาทจะอยู่และตายที่นั่นชาติหน้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นขอทานอีกท่านรับไว้เถิดครับผมจะขอลาฝากความคิดถึงไปยังทิศพองด้วย เขาถวายสร้อยคอหนักหนึ่งบาทนั้นซึ่งท่านพระครูจำใจต้องรับด้วยรู้ว่าอีกไม่นานเขาก็จะต้องจากโลกนี้ไปเขาจะไปตายที่พระพุทธบาทดังที่พูดไว้ผมโชคดีจังเลยนะครับหลวงพ่อมาสองวันได้สองเรื่องแล้ว พรุ่งนี้เราไปท่าตะโกกันนะครับนายวิกโก้พูดขึ้นหลังจากเด็กหนุ่มลาท่านพระครูไปแล้วแม้ท่านจะให้เขาอยู่กินข้าวก่อนเขาก็ไม่ยอมตกลงหน้าเสียดายที่แม่สะอิงแกตายไปแล้วแต่ตาปุ่นกับเมียใหม่ ย, ยังอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแกด้วยนะครับมีทั้งเสียงทั้งภาพถ่ายแบบนี้ ทำให้การวิจัยของผมน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สำคัญคือมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาหลวงพ่อช่างเมตตาผมเหลือเกินชายหนุ่มกล่าวด้วยสำนึกในบุญคุณของท่านพระครูผู้เป็นอุปชายาจา์ตน